Copyright, Goethe-Institut München. 50 languages. Clip, free in many languages. <coughs> One, e o o p l e r n i l d r e n a d n c h n ดิฉันและคุณนานุมัตตูนีนุเราทั้งสองนาวิบบรุเขาวอวานุเขาและเธออวานุมัตตูอวลุเขาทั้งสองอวริบบรุ ผู้ชาย g a n d h ผู้หญิงเห็นดติเด็กม a g o ครอบครัววันตุกตุมบะครอบครัวของดิฉันนันนากุตุมบะ ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่นั่นากุตุมบาอิลลเดดิฉันอยู่ที่นี่นาโนอิ ล, ลอิเดเดเนคุณอยู่ที่นี่นีโ น, นอิ ล, ลิเดียเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ เราหนูอิลลิทดาเน่แม้ตัวอวัลูอิลเราอยู่ที่นี่น้าวูอิลลิ e เดคุณอยู่ที่นี่นิวูอิลลิทดีริพวกเขาทุกคนอยู่ที่นีุ่่ลลารอร